ข้อสิบสองัต้อบัปานจิตีในเพราะการกล่าวอกเกือ่อบิดเบือนให้สนใจเรื่องอื่นหรือเพราะการเปลี่ยนเวียนสงด้วยการนิ่งเมื่อถูกสักถามจะต้องอาบัดปานจิตีก็ต่อเมื่อสงยกอัญญะวาทกกรรมกรรมที่ทําแก่ผู้พูดบิดเบือนและวิเหสกกรรม กรรมที่ทำแก่ผู้เบียนเบียนสงเท่านั้นถ้ายังไม่ยกกรรมดังกล่าวต้องอาบัตทุกกฎก่อนแต่ถ้านิ่งด้วยเกรงว่าพูดไปแล้วสงจกทะเลาะกันได้อยู่นี่หมายความว่ามีพิสูยนรูปหนึ่งนะครับท่านทำผิด อ, อะไรบางอย่างนะแล้วถูกนำตัวไปสอบสวน่านกลางสงนะครับ หรือว่าถูกสอบสวนท่างกลางสองเลยนะและท่านก็พูดบิดเบือนนะครับให้สนใจเรื่องอื่นอย่างเช่นเขาถามว่ามีเบนหลายอย่างนะท่านทําอย่างนี้ใช่ไหมนะครับข้อว่าพูดนั้นพูดเรื่องอะไรกันอ่พูดเรื่องอะไรก็ <c oughs> <c oughs> พูดเรื่องที่ท่านไปทําอย่างนี้นั่นแหละผมทําเมื่อไหร่อ่าทาที่ไหนอย่างนี้นะถ <c oughs> ้ <c oughs> านก็สร้าง <c oughs> าาท่านนะครับสร้างไปสร้างมาท่านก็จะดิ้นไปดิ้นมานะ เฉยๆเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกเราพูดกับท่านนั่นแหละนะเพราะท่านไปทําอย่างนี้อย่างงี้นะครับผมไม่รู้เรื่อง <c oughs> พวกใครนี่นะครับหรือแม้แต่คี่ใครที่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเขาพูดเขาซักถามเขาบอก้าวถ้าไม่มีแม่ตากันไม่ต้องมาคุยหรอนะเนี่นยไม่มแม่ตาไร้สาระาคุยเรื่องพวกนี้ <c oughs> ใครเจอลูกหนิหนะเพราว่าอย่างนี้เลยนะไร้สาระนะครับ ไม่ต้องมาคุยสองก็มีแม่ตามไม่ต้องมาคุยกันถ้าเนี่ยเตยทำไมถนะ่ถูกนะพยายามจะบิดเบือนสนใจเรื่องอื่นไปนะครับอย่างนั้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องอาบัติปาหยีตีทันทีหรอกนะครับคือตอนแรกถ้าต้องไปที่ต้องถูกสงลงกรรมด้วยถ้าไม่ถูกสงลงกรรมนะ่ยพูดบิดเบือนกบเกื่อ น, นี้นะครับก็จะต้องแค่อาบทุกกฎนะครับแต่เมื่อสองลงกรรมแล้วเรียกว่าอันิวาตาการกรรม สมยเส็จสวก็มาวาจาลงกรรมไปเลยและท่านก็ยังทําบิดเบือนเหมือนเดิมนะครับจะต้องบัดไปอีกที น, นี่นะก็ะจะนั่นข้อนี้นะ่ะเมียบัตรไปอีกทีอยสองกรณีเพราะบิดเบือนอีกข้อนึงเพราะว่าเบียดเบียนสให้ลําบากข้อหนึ่งเบีย ด, บบดเบียนสมในการผู้นิ่งนะครับคือเมื่ออยู่ในถ้ำกลางสงสงสอบถามาอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็นิ่งไม่พูดไม่จาเพราะสงฆ์ก็ลําบากนะไม่นิ่งช้าไม่ถูกเอาว่าท่านทาหรือไม่ทํากันได้นิ่งครับ ท่าทำ่านไปทําอย่างนี้ใช่ไหมนี่งท่าไม่ได้ทำใช่ไหมทำไมต้องทาอย่างงี้อ่ะต่านก็นิ่งอย่างเดียวนะครับไม่พูดไม่จามไม่อะไรนะก็ใช้ประสงคลบากในการไม่ใช่นะครับไม่ได้นะนะคร<ช>ับท่านก็ต้องต้องมาทุกกดก่อนแล้วทวําไงดีอครับไม่รู้ทำไงดีเหมือนกันเอางะะี้ครับก็ลงกรรมไปเลยลงกรรมนะครับสวนลงกรรมอะไร เลียว่ามิเหตุสกั ก, กรกรมนะครับหองกรมรมไปเลยท่าแกยังนิ่งเหมือนเดิม น, นะแกก็จะต้องอาบัตไปตีนะครับแต่ตอนแรกที่ทําต้องทุกข์กอดฝันนะพรองกรรมแล้วก็ยังบิดเบือนยังนิ่งเนี่ยก็ต้องไปตีนะครับตอนนี้นมีอยู่รูปหนึ่งนะโวยวาท่าแกเนี่ยคมคายร้ายกาจมากมันใช่รูปที่ฝังมันคนชีพนะ <c oughs> มีอยู่รูปหนึ่งครับอยู่เนี่ยอยู่เป็นนานๆเจออะไรแปลกๆมันเรื่อยๆเป็นท่าคันตุกะมาที่อื่น แล้วพ่เก่งบอกว่าแกเคเห็นตานเแต่ที่พี่เก่งแกไปโยนะเก่งก็มาฐานนี่นะครับแล้วผภานรูปนี้นะครับตอนนั้นแกเป็นโยแกชอบเที่ยวไปตามสำนักต่างๆสำนักปฏิบัติธรรมที่เข้ามีงานนะครับแล้วก็ไปกินข้บเด้วยอันนี้ก็มีงานนะเขาเขาต้องมีเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับเลี้ยงพันปฏิบัติธรรมแกก็จะไปไปกินกเข้าด้วยนะแล้วก็ไปฟังธรรมอะไรกับเข้านะครับ ีนี้แกไปหลายสำนักเหลือเกินนะวิทยายุธนิแก่กล้านะครับโอ้ยพุทธหลบตะแลงกลับไปกลับมาหลายสารพันนะสู้เกไม่ได้นะครับถ้าไม่ถึงนะวันนั้นเขาบอกเป็นยังไงนะเขาชอบอ้างเรื่องเมตตาครับเขาบอกลวงพี่อะไรนะแกมาแล้วก็มาขอพักนะครับทีนี้ก็สอบถามไปสอบถามมาแล้วแกติดเตจอพุพทธธรรมผสมนะครับ ว่าพระธรรมประสงค์ไม่ละอายเลยนะว่ายัางไงผมไม่รู้และผมไม่อยู่ในสถานการเขาเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. เขาก็ว่าเขาหมูไม่เ้าเล่าอยังเกงนี้นะพูดออกมาเลยนะครับ mm hmm. เขาก็ซักแล้วนะ mm hmm. ก็เลี่ยงไปเลี่ยงมานะ mm hmm. เขาก็อ้าไม่มีตาไม่มีเมตามมเมตาครับไม่ต้องมาคุยอย่างนี้นะ mm hmm. พวกท่านเกิดกุศอรู้ไหมเนี่ยกําลังเกิดโทสะกันอยู่นะ mm hmm. เนี่ยรู้ไหมง่า mm hmm. ก็บอกแล้วท่านจะมาทําอย่างนี้นะ ผมไม่ได้ิดอะไรเนี่ยผมนิ่งสงบผนหยุดแล้วนี่นะครับอ่าธรรมะโทษท่า น, น, นไม่หยุดนี่นะผมไม่มีอะไรโอ้ยพาท่านเนีลยเกินนะครับ <P ew s> พูดมือกับคนหมดกิเลสแล้วอย่างนั้นนะนะครับพูดอย่างงั้นเลย <S 2> <S 2> <S 2> โอ้มันจะทํำยังไงนะผมว่าแกไปฟังเยอะหลายสำหับหลายครูบาอาจารย์นะแกก็เลยเนี่ยหู้โหนาว่าข้างศิลปคมคายนะครับแั้วพี่เต้ยก็หยุด ไ, ไปตกัะครับ สสู้แกไม่ได้หรอกใครก็สู้คนไม่ได้นะครับต้องไม่เปิดการผมก็สั้นเลยอยู่ไม่ต้องพูดไม่ต้องมาพูดแล้วผมก็ว่าดใส่อย่างเดียวเลยรูปนี้คือเราจะปล่อยโอกาสให้แกพูดนะแกก็ไปของแกเรื่อยนะครับหาว่าเรามีโทรศัพทอย่างงั้นอย่างนี้มันได้อะไรมีธรรมะมีอะไรอย่างนี้ได้ยังไงผมนะเอาย่งมีโทรศัพทผมเฉยผมนิ่งผมสงบ ไม่รู้จะทํำยังไงครับแล้วแกบอกว่าไอระหว่างการเดินจงกรมกับการเต้นลาเต้นแล็บมันมันไม่ต่างอะไรกันหรอกมัเหมือนกันแล้วก็เต้นให้ดูเลยครับโอ้แกเต้นเลยเต้นอะไรครับลูกขึ้นมาเต้นเลยนะในหอฉันเก่านะนั่นนะครับโอ้เหมือนกันเลยนะแล้วก็จะส่งเคราะห์พระธรรมวของแกได้หมดนะครับแกไม่มีอะไรจะปล่อยวางแกนั่งเฉยและแกสงกครับโอ้เจออย่างนี้นะ ว่ามันจะทายังไงครับลำบากเลยก็เลยต้องปล่อยให้แกนอนไป <c oughs> แกจะนอนในสารานนะแล้วม่มันให้แกนอน <c oughs> ก็พี่ตั้งก็เลยให้มานอนที่นี่นครับแล้วช้าแกก็ไปนะก็ว่าน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยมันยิ่งกวสิบแปมกุญนะ <c oughs> ถ้าคนที่เข้ามาใ้เข้าเชื่อไปเลยนะครับมันก็พูดมีเหตุผลไปหมดนะสงบนิ่งรู้เนี่ยตามดูตามรู้ไม่เครื่อนไม่อะไรนะปล่อยวาง น, นะครับ แล้วก็พูดเป็นวาทะชั้นเชิงนะโอ้เ oh, <c oughs> หนือยเกินนะครับ <c oughs> ถ้าเราไปฟังเนี่ยที่อราเคยฟังแบบกูบาจามนันพูดไหมรายการปล่อยบาเมื่อไรพวกนี้นะครับเนี่ยว่าแกมัไปฟังมาเยอะนะแกก็เลยดิ้นได้สารพัดเลยนะครับนี่ไงก็คือบ่นเบื่อเท่านั้นนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้ทีนี้อ่ะ มาดูต้นมันอย่างก็มาสักไทนะอ่าต้นบรรยัณนี้มาเรื่องพระชันนะนะครับพระชนะนี่เป็นคนว่าญาตนมีม้าที่ถี่มากนะครับอ่าโดยสมัยนั้นพระภาคพระเจ้าประทําอยู่หน้าโคสิตาราเขตบพระนครโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระชนนะประพฤติอนาจารเองและถูกไต่สวนเพราะต้องอาบัติในถ้ำกลางสงนะครับเพราะว่าท่านไปทําอะไรไม่ดีบางอย่างเมื่เกี่ยวกับ ประพฤตินะครับผิดข้อพิจัยณาบางข้อเนี่ยได้ถูกสอบสวนท่ามกลางสองนะต้องกับเอาเรื่องอื่นมาพูดกบเกิดว่าใครต้องอ้าวใครต้องเอามันล่ะก็ท่านนันแหละผมต้องอะไรคุณว่ต้องไปตีสิอ้าวแล้วผมต้องเพราะเรื่องอะไรผมไปทําอะไรมาคุณไปทําอย่างนี้อย่างนี้ผมต้องยังไงกันแน่เนี่ยบอกไม่ให้ท่านนะผมต้องยังไง ก็บอกเนี่ยถ้านไปทำอย่างนี้เขาก็เห็นชัดเจนลุ่มล้มเหมื อ, องนี้แหละพอเขาพูดอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าแกจะจอมแล้ใช่ไหมแกก็จะพูดว่าเอ้าแล้วพูดถ้าพูดกับใครกันแน่ตอนนี้นะนี่นะเขาไล่กันจนจอมแล้วนะครับแกจะบอกพูดนัานพูดวับใครนะครับโอ้ยเหลเกินนะว่าเรื่องอะไรนะครัดิ้นไปหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ได้นะ <c oughs> ทีนี้บรรดาผู้สูมารคน้สันโดษต่ตางก็แข่งเท่าอิทธิเ็มพุทธนา แล้วก็กัดนิ้วจะจ้างทรงสร้างนะครับผู้ทวงก็ประชุมสองสองสอบถามสองติเตียนนะและสองก็สอนนิย่านะครับว่ามีก่อนผู้ศึกษาทั้งหลายก็แล้วสองเพิงยกอนญญาตการกระทำนะครับกรรมที่รองแก่ผู้ศึกษาผู้กราบเบือนนะครับุผู้ศึาพูดสามารถคูนประกาศทรงสร้างเรื่อยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าค่าขอทรงจงฟังข้าพเจ้า พิสูจน์ชนานี้ถูกแต่งสวนด้วยอัมบนันท่มกลางสงกับเอาเรื่องอื่นมาพูด ก, กลบเกลือนถ้าความพร้อมพลาดของสงถึงที่แล้วสงเพิงยกอัญญาวาทกักรรมแก่พิสูจน์ชนะนี่เป็นญติแล้วก็สุดมามาจารไปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าถูกองกรรมและก็ยังทําำก็ยังต้องไปตีนี่ค่ะแล้วพร้องก็เป็นยศขาเขาือนนี้ขึ้นมานคะครับครั้งแรกมีแค่นี้ก่อนนะครับเป็นไปตีในเพราะความ เป็นผู้ผู้กบเ ก, กลือนะหมวดเมืองต่อมานะครับอันหนึ่งโดยสมัยนั้นแหลท่านพระชนะถูกไต่สวนเพราะตออา้องอบท่านกลางสองเหมือนเดิมนั่นเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าเมื่อเราเอาเรื่องอื่นมาผู้กบเกลือจะต้องอนามบัตใช่ไหมถ้าผู้กบเกลนอโดนอนามบัตแน่พระุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้วใช่ไหมครับท่านก็เลยหาอบายท า, บบ า, ยยางบัญญัติยังไงนะครับจึงนิ่งเสียไม่พูดไมา่จา ทำให้สองลำบากเลยก็จะทำยังไงถ้ไม่พูดอะไรเลยนะครับถ้าไม่พูดเสยอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะบรรดาพิสุพุมักน้อยสัโดแต่ก็แพท่าทเดียนพุทธนาแล้วก็การุณย์พระเจ้าทรงซาผู้รวมก็ประชุมสองทรงสองฐานสองติเตียและขออนุญาตให้ลองไม่เห็นสะ ก, ะกัดกรรมนะครับกรรมที่ลองแก่พิสุพูดทําให้สองลำบากด้วยความผู้หนินะว่านะครับพิสุู้ชาวที่สามารถก็จะประกาศให้สร้างเหมือนเดิมนั่ว่า ถ้าเจ้าข้าขอส่งในความต้องพระเจ้าพิสุชันหน้านี้ถูกแต่งสวนชื่อคนเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนตามท่านนั้นนะครับด้วยอามบัตในถ้ำการสงได้หิ่งเสียะทําให้สงลําบากถ้าความพร้อมพระ อ, องค์ส่งถึงที่แล้วสงคงยกวิเหสกัดกรรมแก่พิสุชันหน้านี้เป็นญตินะครับแล้วก็สุขมามาใจหนึ่งครั้งนะครับหนเดิมครับนี่นะ และผู้ดองก็ทรงมีสิกขาบท น, นี้ขึ้นมานอันนี้ไม่ยากนะเพราะเราก็เคยขาบ้างประมาดูคำอธิบายในกลางขาครับคำอธิบาในกลางขาหน้าร้อยหกสิบอกนะครั บ, บ, รร บ, รบอธิบายอัญญาวรรัฏกาสิกขาบทคริ่งสร้างวินิจฉัยสิกขาบทที่สองต่อไปพระวินัยทรถามเรื่องราวใดใ น, นถ้มกลางสง พิสูจน์ไกล่าวเรื่องอื่นนอกไปจากเรื่องราวนั้นก็คือพูดกบเกินเองนัไปเรื่องอื่นนะครับเพราะเห็นนั้นพิสูจนนั้นชื่อว่าอัญญาวัฏกาผู้พูดคําอื่นคําว่าอัญญาวตฏกานี้เป็นชื่อของการกบเกินเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นพิสูจน์ได้ทส่งให้ลําบากเพราะเห็นนั้นพิสูจนนั taxes, assim, Jupiter, ้นชื่อว่าวิเหสกานะครับอันนี้นี่ข้อนะคําว่าวิเหสกานั้นเป็นชื่อของการนิ่งเฉย พิสูจต้องอาบัติเพราะการกล่าวไปเรื่องอื่นและเพราะการทําไม่สมลำบ้านนะั้นตอนแรกพอทํานี้ก็ต้องอาบัติเลยต้องถูกกดกรอนพอสมงลงกรรมก็ต้องบัตไปอีกดีนะครับคุณพระเจ้าต้ออาบัติไปอีสองตัวในสองกรณีเพราะฉะนั้นพิสูจใดต้องอาบัตินะครับที่มีส่วนเหลืออาบัตที่ยังพอแก้ไขได้ไม่ใช่ประราชิกนะครับแล้วก็ถูกสอบสวนอยู่ท่ามกลางสมนะ ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนั้นปกปิดคําอื่นด้วยการกล่าวคําอื่นพูกพลานไปอย่างพลาดฉันหน้านะครับและพิสูจน์ได้ทำให้สงลำบาด้วยการอยู่นิ่งๆโดยไม่พูดอะไรก็นิ่งเชิญไม่ยอมพูดนะครับอัญญาวัฏกากรรมใดขึ้นมาพลาดเจ้าทรงอนุญาตไปแล้วทรงอนุญาตไว้ให้ลงแก่พิสูจนทั้งสองเหล่านั้นเมื่อสองทํากรรมนั้นแล้วพิสูจนเหล่านั้นคืนทําอยู่อย่างเดิม อันนี้ต้องบัดปลายตีนะครับในนาฬิกาที่บายเกี่ยวกับผู้กลมเกลือนนะแม้แต่ว่าพูดเป็นคนลเลือกกันเลยนะครับอันนี้ก็ขุดกลบเกลือนเหมือนกันที่กยกตัวอย่างนะเขาถามว่าท่านทําอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อผมไปเมืองปลาตะลีบุตรครับเขาไมา่ได้ถามเรื่องไปเมืองปลาตะลีบุตรของท่านผมไปบินธมบาที่พระราชจดวงอย่างนี้ ถ้าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะแต่ท่านทำอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยกำลังสอบสวนท่านอ๋อผมได้กลายยากมาด้วยมาคนลนเรื่องกันเลนะเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ากบเกลื่อนนะครับไม่ได้ทำนั้นนะนครับเหตุการณ์ประเภทอาบัติครับสิคข้าบนนี้พุทธภาคเจ้าทรงประรถปิจุดช น, นะในเมืองโกสัมพีบัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุคือการกลบเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่น เป็นสาธารณะบรรัญญัติพิสุนีก็มีนะครับ <c oughs> อนนันติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครับทำเองต้องบัดเองนะเป็นติกะปลียตีในกรรมที่เป็นธรรมหมายก็ว่ากรรมที่เข้าลงลงท่านนะครับกรรมที่เป็นธรรมก็คืออะไรเขาก็มีการสอบสวนก่อนนะครับให้จะเลยให้การทําตามปฏิญญาทําตามขั้นตอนอะไรทั้งหมดนะครับไม่ได้ผักละเอาอย่างนี้นะ ก็มีการมาพูดสอบสวนไป่ท้ามาเองก่อนแล้วแล้วค่อยลงกรรมนีก้กรรมเป็นธรรมนะถ้ารู้ทั้งรู้ว่ากรรมเป็นธรรมเข้าใจเลยมันทั้งรู้ใช่ไหมสงสัยในสําคัญผิดนะครับนักก็ยังขืนคํอย่างนี้เรต้องอธรรมไปทีทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็นะครับเป็นติกะทุกข์กดในกรรมที่ไม่เป็นธรรมกรรมที่ไม่เป็นธรรมอาจจะไม่ได้สอบสวนก่อนก็ได้นะกรรมทีม่เป็นธรรมคือทํากรรม ล, ำลำ้ำหลัง ก็ไม่เป็นธรรไม่สอบถามก่อนแล้วทําไม่ทําตามปฏิญญาถ้าจําเลยไม่ปฏิญญานี่ก็ทําเลยไม่ได้นะทําเพราะไม่ต้องอาบัต น, นะครับอันนี้ไม่ต้องร้อยเข้าปฏิญญาแล้วอาการที่เขากําลังทําหละใช่มันเป็นตัวบอกแล้วนะครับเขาพูดกรบไปกรบมาหรือว่านิ่งเงี้ยหนะ้าแล้วก็ลงได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำรับหลัง น, นนะ ทำเพราะไม่ต้องอาบัติอันนี้กรรมไม่เป็นธรรมนะอแล้วเขาต้องต้องอบัตด้วความจริงๆรือจะลงนะคะ ร, ะรับทำเพระอาบัติไม่ใช่เทศนาคายมีดีทำเพระอาบัติที่แสดงแล้วนะครับไม่โจก่อนแล้วทําเนี่ยแล้วไม่โจก่อนนิมงิี้มาลงกรรมเลยน ะ, ะอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมไม่ใจะไม่ให้การก่อนแล้วทํามไม่ประอาบัติแล้วทํานะครับตรงนี้นะครับอันนี้กรรมไม่เป็นธรรมยังต้องติกะทุกกฎนะครับในกรรมที่ไม่เป็นธรรม สองย้ำไม่รองอน ญ, ญาบัติกกรรมหรือมิเหติกกรรมพริสูจค์ขืนทำอย่างนั้นเป็นอาบัติทุกกฎ น, นะครับอนาบัตพิสูจน์ไม่ต้องอาบัตเมื่อไม่รู้ว่าตนเองต้องอนาบัตคือถ้าไม่รู้จริงๆว่าท่านต้องอาบัตอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาสอบสวนท่านใช่ไหมท่านเลยถามนะครับว่าโพดท่านพูดอะไรกันเนี่ยนะผมต้องอาบอะไรถางได้ท่านคืออะไร เป็นไข้หรือป่วยนะให้กลางไม่ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรไม่ยอมพูดด้วยประสงค์ว่าความแตกแยกเป็นต้นจะมีแกสอนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะั่นไม่พูดถ้ามาอยากถ้ายิ่งพูดในเรื่องจะยิ่งใหญ่โตขึ้นไปนะครับดีก็สอบเสื้อไปสอบสมัครอาคนนั้นก็ทําคนนี้ก็โดนใช่ไหมไปกันใหญ่นะครับเราดูแลธกลางสองบางทีนะครับมันเกี่ยวต้องการคุมสถานการณ์นะ สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนะและก็คนนั้นคนนี้ก็ยิ่งใส่ไฟใส่ไฟแล้วคนนี้ก็พูดเริ่มเครียดแล้วใช่ไหมพรอคนที่สองคนที่สามก็พูดเครียดๆเหมือนกันนะครับสถานการณ์เนี่ยมันจะเริ่มตึงเครียเรื่อยๆนะหรือมันอาจจะแตะพว่วงอเลยก็ได้นะครับมีเสื่อหรือเสื้อแดงว่าเขาสนามชายอย่างนี้นะไม่ไหวนะใสะ่เสื้อใส่เสื้อเสื้อแดงไม่ใส่คู่บกคู่รอบไหมต้องไม่มีนะครับ ต้องไปเพื่อความสมัครสมาสามัคคีนะแต่ถ้าบางอย่างถึงแม้ว่ามีการสอบสวนการอะไรนะะ่ะเราคิดว่าถ้าพูดไปแล้วคือมันจะแตกใหญ่ขึ้นมานะเรื่องมันจะหนักมันจะทะเลาวิวาทกันนี่เราไม่พูดก็ได้นะครับไม่ต้องพูดไปเลยบอกหยุดนล้วไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะครับไปคุยทีหลังก็แล้วกันนี่ได้นะหร mm hmm. ือไม่ยอมพูดไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. หรือเพราะคิดว่าพวกวิสุทธิจะทํากรรมหรือไม่ชอบทํา โดยเป็นว่าอันนี้นั่นเราก็ได้เขาไม่เป็นไรนิ่งได้หรือจะทํากรรมแก่ที่สู่ผู้ไม่ควรที่จะลงกรรมนีน่นะ้แล้วนะเขานิงได้ไปพูดไปเปลี่ยนประเด็นเลยนะเอาไปเรื่องอื่นั่นได้และพิสูจน์บ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัตองอาบัต น, นะสิครับวันนี้มีองค์สามเหล่านี้คือหนึ่งนะครับสองลงกรรมที่ชอบทำถูกต้องนะท่านเป็นจริงๆเข้าลงกรรมท่านนะครับ สองถุงสอบสวนด้วยอาบันะครับหรือข้อประพฤติที่ท่านไปทําให้ดีนะครับสอบสวนท่านสามการพวบกเกินเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นหรือการอยู่นิ่งเฉยเสียเมื่อครอบองศาว่าต้องบไปตีในสิกขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเป็นเช่นการทินนาชาสิกขาบทก็เมือนแล้วนะต้องมีจิตอย่างเดียวนะครับการจิตวาจาสิกขาวาจาจิต แตกแต่ในสิกขาบนนี้เป็นกิริยาก็มีเป็นกิริยาพ่ออะไรครับ <c oughs> กิริยาพ่ออะไรครับ <c oughs> นิ่งเฉยอันนี้นไม่ใช่กิริยาเลย <c oughs> คุกเ ก, กื่นครับ <c oughs> เป็นอนกิริยาก็มีเพราะ <c oughs> นิ่งเฉ ย, น, เฉยนะครับไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรนครับก็เลยว่าเป็นทั้งสองอยา่างและมีเวรานามเป็นทุกอย่างเดียวเท่านั้นเวรล า, านใจนั้เป็นทุกนะ มันไม่พอใจที่เข้ามาสอบสวนมาอะไรตัวนะครับก็เลยพูดกบเกิดว่านี่เพราะนั้นเวทนานี้ก็เป็นโทมนาโทสายดีกนะครับเจ้าการอธิบายอัญญาวาทกาสศิษฐาบทนะครับข้อนี้จอครับไม่แน่นะครับูนนกกบะตะคาม อ, อว่านะอาจจะจบก่อนไปลาวนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในท้ายนี้สุด ขอความเจริญงอกงนมทวนัยของพระสมัมมาสัเจ้าจงเก็บทั้งหลายด้วยการทุ่ทานเทย์จักทุกข์จักุกร์อัคคันสัมมาสัมุทเธเจาพครวตพระชังพะครวต เป็นสุขเป็นสุขเธออยากได้มี